ا ل ل ه رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين و ا ع ع و ا ن إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ر รืแรกก่อนทจะลืมนะครับ วันนี้ก็จะเป็นวันการเรียนการสอนอทศเสีสุดท้ายก่อนรโมตอนทำไมที่วา่าอาคารหน้าก็หงดเพราะอาคารถัดไปก็ น, น่าจะเป็นวันที่หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะยกยอดรรด้หลังดุรโมตอนหลังบุตรทุกนะครับก็ว่ากันกที่หนึ่งเจ้าลอ โปรดในหะ้พวกเราได้มีอายุขยัยมีชีวิตต่อไปส่วนวันนี้ก็จะเป็นการอธิบายอยายะที่หนึ่งรอยนะครับจำได้ไหมตอนที่อธิบายสุรเทวช่วงต้นๆเนี่ยผมได้บอกกับพี่น้องว่าสุร้อนี้เป็นสุร้อ ที่จะพูดถึงเรื่องโครงสร้างรัฐอิสลามโครงสร้างเมืองใหม่ที่เป็นเมืองแรกของผู้ศรัทธาก็คือเมืองมาดีนะเมืองนี้มีประชากรยังไงประเภทประชากรในด้านสิทธิ สันสัชาติตามนอกนวมาอิสลามขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับแผ่นดินหรือเชื่อชาติหรือความเชื่อและหลักศรัทธาทำได้ไหมแต่วามว่าอสลามนี้สันชาติในรัฐอิสลามนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผ่นดินเพราคนที่เกิดในแผ่นดินนี้ก็จะถึงสันชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เชื้อชาติคนที่มีเชื่อชาติอย่างนี้ก็แสดงว่าได้สัญชาตินี่สัญชาติในอิสลามนี่ก็คือศาสนาศาสนาจึงไม่แปลว่าถ้าถ้าเราจะมุสลิมนีนสัญชาติอะไรสัญชาติมุสลิมคืออะไรอิสลาม สันตญิภาพมุสลิมอิสลามอันนี้อันนี้เป็นประเด็นหลักเลยแล้วสำหรับรัฐอิสลามเนี่ยต่างชาติต่างดาวต่างชาตินี่คือใครต่างศาสนาต่างศาสนิกนี่คือต่างชาติข้อผูกพันในรัฐอิสลามนี่ก็เป็นศาสนาบุคคลที่เป็นมุสลิมก็คือบุคคลที่ ถือสัญชาติเดียวกันซึ่งอาจจะอ า, อาจจะดูดูมันมันมันแปลกในโครงสร้างกฎหมายระเบียบของประเทศชาติบ้านเมืองต่างๆในปัจจุบันเพราะโครงสร้างประเทศในปัจจุบันนีมันสืบเนื่องจากยุคจั ก, กรวรรดินิยม ที่มีแกนมีการแย่งชิงผลประโยชน์และพื้นที่ทำให้ประชาคมโลกได้สืบทอดและบริโภคค่านิยมของจกักรวรรดินิยมหลังจากที่จกักรวรรดินิยมเนี่ยสารภาพกับตัวเองว่าไม่สามารถบริหารอนณานิคมของตัวเอง ที่ยึดมาและประชากรที่อยู่ในอนณานิคมนั้นจึงให้แต่ละอาณานิคมนั้นน่ะได้เอกราชของตัวเองแต่ให้เขาได้ประกาศเอกราชหรือเรียกร้องเอกราดด้วยการผูกพันกับไอ้เรื่องนี้แหละคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อ่าเป็นสัญชาตินี้ คนที่มีเชื้อชาติอย่างนี่จะเป็นอย่างนี้เรื่องศาสนานี่เขาไม่เอามาเอาไม่เอาไม่เอามาเป็นประเด็นนะตรงนี้ประเทศพวกนี้นี่มีมุสลิมก็แบ่งเป็นมุสลิมดิแต่อย่างเช่นที่อินเดียปากีสถานงั้นนีนนน่นี่เป็นมุสลิมก็แบบใหม่เอาเรื่องแผ่นดินสุดท้ายนี่เป็นยังไงนี่ดูพม่าดิจะรอดไหมแบบนี้พม่าแบบนี้จะรอดไหมมีกี่เชื้อชาติบรรดา ชาติพันธ์ต่างๆที่ไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องเรื่องเชื้อชาติหนึ่งเรื่องผลประโยชน์ให้เขาได้เพราะเพราะเราเราเลือกให้แบ่งผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สำหรับสําหรับมุสลิมนี่ลองดูซิในพื้นที่ต่างๆนดูได้เลยแต่สำหรับมุสลิมเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติหนึ่งเป็นมุสลิม จะขึ้นอยู่กับอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่มุสลิมเหมือนกันแต่คนละเชื้อชาติมันจะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่อยากจะยกตัวอย่างดูดูดูมันจะยาวพอพอยกตัวอย่างแล้วมันก็ต้องเทียงกันแต่เป็นตัวอย่างที่ผมได้ศึกษาม า, มาเยอะนะครับหลายกรณีเอสุดอัตตวบ้านมีพยายามที่จะที่จะปลูกฝัง ขอ้อผูกพันระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันในผังเมืองผังเมืองด้านประชากร น, น่ะนะมีมุสลิมอันนี้อันนี้เบสิกนะหมายถึงว่าพื้นฐานเนี่ยมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมนีม่โครงสร้างของสังคมในรัฐอิสลามมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิม ในสุระตัวอุนอัลลอฮฺบะไวฮ์ฮุ่นั้นที่ خلقكم فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمن โครงสร้างพวกเจ้าีดูนะแม้กระทั่งโครงสร้างมนุษยชาติทั้งหลายนี่อัลลอฮ์ได้บอกนะซึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนนี่ไม่ได้ไม่ไดไม่ไดเอาศาสตรประชาชาติไม่ได้กฎหมายของของประเทศที่มนุษย์เขาประโลกขึ้นมาเองนี่ไม่นี่ผู้สร้างมนุษย์นี่บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างแล้วก็คุมพวกเจ้าทั้งหลาย ฝ่มิงุณส่วนหนึ่งของพวกเจ้านี่ก็มุมิดก็เป็นผู้ศรัทธาว่าว่ามิ่งฝ่ายมิ่งคุณก็รู้มุมิส่วนนึงเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ศรัทธาในนี่โครงสร้างใหญ่ของของมนุษย์ทั่วไปแต่ในรายละเอียดของสถานการณ์เนี่ยมันจะทําให้เห็นว่าแม้กระทั่งผู้ปฏิเสธศรัทธาก็อาจจะมีหลายประเภทและในผู้ศรัทธาเนี่ยก็อาจจะมีหลายประเภท ปรากฏว่าในเมือง ม, มาดีน้านี่หลังจากที่ท่านนาบีสุลต่าละฮะเลวิสแลมใอพยพมาตั้งรัฐอิสลามที่มาดีน้าเนี่ยผู้เสียผลประโยชน์ผู้เสียผลประโยชนย์นี่ก็มีหลายประเทมันก็มีที่ประกาศเป็นปรปักคนละฝั่งกับ น, นบีเลยนี่เขาบอกก่าฉัน ฉันไม่ใช่มุสลิมนะฉันเป็นคาเฟตเลยในกลุมมดีนะในมาดีนะันมม่นก็มีกลุ่มที่เขายัางไม่ยังไม่รับอิสลามเลยแล้ว่ว่ายังยังบูชาเาวิตอยู่และพวกนี้เนี่ยในต้นสุรเดวานี่ที่ที่อัลลอ์ให้ประวิงเวลาให้เขาในสี่เดือนให้เขาพนะิจารณาตกลงว่าจะเอาอย่างไรเพราะหลังจากนี้เนี่ยไม่ได้แล้วจะอยู่ในเมืองเนี่ย ต้องเลือกสัญชาติเรื่องธรรมดาหนะต้องเลือกสัญชาติอย่างนี้มีคนนี่เขาเขาก็ เ, าเลยเลี่ยงไงเลี่ยงเลือกสัญชาติเป็นมุสลิมแต่ข้างในนี่ไม่ใช่มุสลิมข้างในนี่ฉันยังเหมือนเดิมแต่แอบแอบเสื้อแอบเสื้อในจีวิตแอบเสื้อใน สรรสิ่งต่างๆอื่นจากอัลลอฮ์นี่แอบเชื่อกลุ่มนี้เนี่ยที่เรียว่ามุนาฟิกีนนะีนี้มุนาฟิกีนก็มีทั้งในมดีน่าแล้วก็บนอกมดีน่ะกุณอ่านก็ได้พูดถอายะก่อนนะานี้เนี่ยพูดถึงอารอบอัลลับชนบทที่มีกลุ่มที่เป็นพวกมุนาฟิกรอบๆมดีน่ะเดี๋ยวอายะหนึ่งร้อยกว่านี่จะมีพูดจะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่อง เรื่มุนาฟิกีนอีกรอบหนึ่งทั้งในม ด, ดีนะ่าแล้วก็รอบๆมบ ด, ดีนะ่าอีกนะอีกครั้งหนึ่งแต่อัลลอฮฺได้พูดถึงเรื่องมุนาฟิกีนที่เป็นชาวม ด, ดีนะ่าแล้วก็เป็นชนบทต้องการที่จะพูดถึงพลเมืองคนดีเหมือนทุกรัฐะเวลา คลเมืองคนดีเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยเขาก็จะจะจะจ ะ, จะโชว์ผลงานเนี่ยเค น, นละเมืองคนดีต้องแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นี่คือคลเมืองที่เราต้องการก็ะจะมีเขาก็จะจัดคอนเทนต์ในหน่วยราชการต่างๆนี่ออคอมเพนให้ ให้คนตระหนักในการจ่ายภา ษ, ษีให้คนตระหนักในการทำหน้าที่ทำความสะอาดรักษาความสะอาดในเมืองให้คนทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยนีจ่จะเป็น c นเ t e n t ที่หน่วยราชการรณรงค์ให้พลเมืองปฏิบัติจะได้เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคนดีของสังคมนะนี่ก็เหมือนกันอายุหนึ่งร้อเนี่ยก็จะมาพูดถึง พลเมืองคนดีที่เขามีประโยชน์มีคุณสมบัติที่น่าที่น่ายกย่องนั่นก็คือชาวมุฮัจิรีนและก็อันซอรซึ่งเป็นโครงสร้างของผู้ศรัทธาในเมืองมดีนะทั้งหมดยกเว้นพวกมุนาบิกีนไปนะตัดออกไปนะที่เหลือล่ะ ก็มีแต่มุอาจิรินและอันซารอันซารนี่ก็คือชาวมดีนะโดยกําเนิดที่รับศาสนาอิสลามแล้วก็ช่วยเหลือท่านนบีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวมดีนะทั้งหมดเนี่ยที่รับศาสนาอิสลามแล้วก็ช่วยท่านนบีแล้วก็เขาเกิดเนี่ยเป็นโดยกําเนิดนะนี่เราก็ชืวทั้งหมดเนี่ยได้ใช้อาว่าอันซาร เราสอดหมายว่าในภาษาในภาษาอ раб เนี่เป็นฉายาที่ถูกใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของภาษาอับไม่เคยมีก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยถูกใช้คําศัพท์เนี่ยเหมือนเป็นคําศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะชาวมัดดีนะ่าที่ช่วยเหลือท่านอับดุลซอห์มูฮัจจรินก็มีเคยถูกใช้หมายถึงว่าก่อนอิสลามก็ถูกใช้มูฮัจจีรินผู้อพยพมีมูฮัจจรินเนี่ยคือ ผู้ที่อพยพจากทินอื่นแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่มดีนนะเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือท่านนะลีสุลไม่ใช่เฉพาะคนที่อพยพจากมักกะอย่างเดียวจะรด้กามุฮาจิรินนะอบูฮุเรรอนี่ไม่ได้เป็นชาวมักกะเขาอพยพมาจากอิเมนอพยพมาจากเผ่าดาวส เขาดาว่ทินของเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในประเทศซาอุดีแต่พื้นที่แต่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ของเยเมนอบูมูซาอัลชารีไม่ใช่ชาวมดีนะมาจากมาจากเผ่าอัลชารียีนเป็นคนเยเมนแท้ๆเลยอันนี้จากพื้นที่เยเมนแท้ๆเลยอับูมูซาอัลชารีอบูฮุริร อดเดอซีพวกนี้ไม่อยู่ที่มักกะอพยพมาจาอพยพมาจากถิ่นของเขาซึ่งไม่จากมักกะส่วนมักกะนี้มูฮัจดังไตอะอบูรอก็ดังไตเหมือนกันมาอยู่ที่มาดีน่อาศัยอยู่ที่มาดิน่านี่เป็นเป็นเป็นคนมาดิน่แหละแต่เขาเรียกกันมูฮัจญูรินถ้าจะเอาอับูรอมาบรรจุในสองกลุ่มเนี่ยเป็นใครอ่ะมูฮัจญูรินเพราะด่าก็ไม่ได้มาจากนอกถิ่นนี่นะก็จะเป็นคนในเมืองก็คืออันซอร มีอยู่สองกลุ่มมุฮัจจิรินและก้อนซอรมุฮัจจิรินและก้อนซาร์นี่เป็นเป็นชัยาที่ขึ้นอยู่กับทินทินคนที่มาสนับสนุนท่านนบีสุลต่านเนื่องจากว่านบีมาอาศัยเมืองมดีน่าเนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสลามรัฐแรกเลยนะครับในอิสลามเนี่ยคนที่มาจากนอกมดีน่าเนี่ยจะเรียกว่ามุฮัจิรินแต่ต้องอบยพ ต้องอบยยบตอนที่ท่านนบีส ل ลต์ละฮ์วะอ ali ลมีชีวิตอยู่นะแล้วก็มารับอิสลามแล้วก็มาปสบันกันถึงเจริคุโมฮะรต้องอยู่ที่มาดีนะต่อไปแต่ถ้าอบยยบมาแล้วก็อยู่ไปเดี๋ยวดาวแล้วก็กลับมาหมดแล้วชายาโมฮะเจรินหมดแล้ว فضيلة ทุลฟ ض ة ุลฮิจรความประเสริฐของฮิจรออย่อันนี้ตลอดกาลนะ คนที่ถือว่าเป็นคนที่ฮิจโร่เนี่ยและอยากได้ผลบุญของฮิจโร่เนี่ยคนที่ฮิจโรา่จะถิ่นที่มีความชั่วมีการปฏิเสธศรัทธาถูกบงังคับไปปฏิเสธศรัทธาเหมือนท่านนบีที่มักการอพยพจากถิ่นนั้นน่ะไปอีกถิ่นหนึ่งเพื่อประกาศกศีลธรรมถ้าอยากจะได้ผลบุญของฮิจโร่เนี่ยก็ต้องอยู่ในถิ่นฮิจโร่ตลอดชีวิตห้ามกลับไปถิ่นอื่นที่มี มีมุนทินหรือมีหรือมีการบังคับในการทําความส่วนแต่กลับไปแล้วเนี่ยกลับไปก็ไม่ไม่ซึ่งฮิจโร่ในี่จะเรียกว่าฮิจโร่นะต้องฮิจโร่เพื่อศาสนาแต่คนที่อยู่ทินกับตัวเองไม่มีงานแล้วก็ไปที่อื่นแล้วบอกว่าผมฮิจโร่มาที่นี่มาทำมาทำไมต้องพูดในพวบบ้านเราเนี่ยใช้เยอะ บ้านเรา穆斯林นี่ใคเยอะผมฮิจราหมานี่นี่มาทมาม่ไม่ใช่ฮิจรานี่เรียกว่าท่านท่านาในภาษากุรอณเนี่ยอัดริบูนัฟิลอร์ดกว่าดิ้นรนบนผืนแผ่นดินมาได้ดิ้นรนแต่แต่ไม่ใช่ฮิจราฮิจราฮิจรามันเป็นกริยาที่มีความศักิ์ ผมอยู่ในเมืองนั่นน่ะหาคู่ครองเนี่หาสาวไม่มีเลยผมก็เลยฮิจโรดที่นี่เนี่ยมาหามาหาเมียไม่ใช่ฮิจรนี่ไม่ใช่ฮิจรอกนนะถ้าใครฮิจรดแบบนี้เนี่ยโดนตำหนิเลยนะแ่หมนกนิโรดอละดุนยาอุซบวเอาอิมรัตนยงเกียฮิจโรดตัวอีลามาฮจรอะไรนบีตำหนคนที่ฮิจโรดจากมักกะมาดินเนี่ยมาหาเมียแต่งงานอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ผลบุญฮิจรดเพื่อศาสนาทาไมฮิจโรดจก เมืองตัวเองโออยู่ที่นั้นน่ะละมาดไม่ได้เลยฉันไปหาที่อื่นจะได้ทาไมแบบน่ะสะดวกทาไมฮิจรอออยู่ที่นู่นเนี่ยภรรยาผมนี่คุมมิจาไม่ได้เลยโดนรังแกตลอดอย่างเงี้ยอะไรอะไรแบบเนี้ยนี่นี่คือหิจรอซึ่งบรรดามหาอารีแลักอันซารที่สนับสนุนท่านนบีโซโลลาเซลก็ถือว่าเป็นเป็นคนรุ่นแรก ก็เป็นบนรรพชนรุ่นแรกสําหรับประชาชาติที่สลายทั้งหมดเพราะคนเหล่านี้แหละที่ได้ช่วยให้ท่านนาบีประสบความสําเร็จในการดาวะในการเผยแผ่ศาสนาอัลลอฮฺจึงเอามาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลในค่านิยมปัจจุบันน่ะเนาะเวลามีคนที่มีคุณหน้าประโยชน์สําหรับบ้านเมืองเนี่ย ใส่ชื่อเป็นชื่อถนนหรือบางทีเนี่ยก็เอาจ้างรูปปั้นแล้วให้คนเขาราลึกนี่คนนี้เนี่ยเขามีประโยชน์มีเคยกู้ชาติเคยงูนนี่ใช่ไมทำไมอ่ะนี่ถ้าเราจะเป็นคนดีเนี่ยต้องทำแบบเขาแบบนี้แอ้หลักการศสนาอิสลาวนี่ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนที่จะสร้างเจวิตรูปปั้นให้ ให้ไอเรียนแบบหรืรำลึกถึงความดีของเขาไม่ให้รำลึกถึงความดีด้วยการนึกถึงความดีเหล่านั้นและกระตันยูต่อ บ, บรรพบรุษบรรปชนที่เขามีบุญคุณกับคนรุ่นหลังในการทำความดีให้เป็นแบบอย่างอัลลอสุบฮานาฮตาฮลจึงยกย่อ ง, องคนเหล่านี้ในอายะห์ที่หนึ่งร้อนี้บอกว่า والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم السا السابقون ناقص و منافقين ما هو م د ي ن ا و ر ب ن ا ب و ن ي نا جمي อัศวิคู ون, นัลอวลุนบรรดาบรรปชนน่าจะมีคําว่าแหละแหละเพราะมันต่อเนื่องจากการเล่าเรื่องของประชากรที่อยู่ในมดินะมีพวกมูลอฟัฟกีนะที่สร้างความปนปลวนนะแต่ยังมีและยังมีใครอ่ะบรรปชนรุ่นแรกอัศวิคูบนบรรปชนรุ่นแรกอัลอวลุนอัลอวลุนรุ่นแรก ا ل س ا ب ق و ن م ا ل س ب ق س ب ق ي و ي و ا ل س ا ب ق و ن ا ل أ و ل و ن م ا إ ِ ت َ م ه ا ج ر ِ ا ل أ ن ص ا ر ف ل ا ل س ا ب ق و ن ا ل أ و ل و ن م ن ا ل م ه ا ج ر ي ن و ا ل أ ن ص ا ر ن م و ف و َ ف ي و ب ش َ أ م ه ا ج ر ي ن َ ا ء م ك ة م ك ة ن ي و م ا อันนี้อันนี้โดยทั่วไปเพราะส่วนมากในมุฮัจิรินมาจากมักกะส่วนมา ก, ก น, นะก็อพยพมาจากมักกะแต่มีที่มาจากที่อนนื่น ม, มีมีก็ไม่น้อยนะแต่ไม่ไม่มากกว่าที่มาจากมักกะก็มากกว่ามาจากที่อื่นก็มีก็เรียกว่ามุฮัจิรินเหมือนกันแล้วทำไมทำไมเขาบอกว่าที่มามาจากมักกะเพราะส่วนมากส่วนมากแต่ถ้าถ้าจะนิยามให้ตรงที่สุดเนี่ยก็คือ บรรดามหาชิคือผู้อพยพจากถินอื่นอันนี้เราจะได้ถือว่าละเอียดนะมีโซฮาบ้าหลายท่านโซฮาบดังๆด้วยนะยังก็ไม่ได้ไม่ได้อพยพมาช่วงแรกอพยพมาที่ไหนอบูอเราะห์อพยพปีที่หหรือปีที่7จฮิจรรห์ปีที่เจ็ีชีวิตปีที่ต้นต้นปีที่บแสดงว่าอบูฮเราะห์อยู่กับท่านบีกปีปี สามปีท้องจำหะดีเนี่ 5, ยห้าพันกว่าบทคนดังแต่ไม่ใช่มุฮาจิีที่มาจากมักกะอ่อ่าและในหมูผ่ผู้ให้ความช่วยเหลือลอันซอรเนี่ยให้ความช่วยเหลือคือชาวอันซอรจากมัดีนาในหมู่มุฮาจิิีและก็อันซอรนี่ตามที่ได้อธิบายเนี่ยผู้ที่อยู่ในแนวหน้าหรือรุ่นแรกเนี่ย ก็มีหลายลำดับคือผู้ที่รับอิสลามช่วงแรกเลยอันนั้นก็ถือว่าซาบิคูลมากซาบิคูลที่สุดเลยที่อยู่ในแนวหน้าที่สุดเลยอบูบักรอับยริบลาวมจบียราวมนีรับอิสลามอายุ8ปดขวบอายุขวบอาลีบนบีลิบบางเร่งานบางรับสนอายุ10ขวบ นี่อูซูเบร์นี่น้อยที่สุดเนี่ยแปดขวบรับอิสลามยังเด็กนะแปขวบยังเด็กแต่ขอบอกว่าอูซูร์อูบร์นี่กับรบอิสลามนี่รักแรกกันนะพอตะกอนนู้นน่ะนบีถูกดังแกบ่อยนะอูซเร์นในละอวามนี่ขนาดเด็กนะนึกภาพนะอายุ8ปดขวบนะแต่ต่กอนนู้นน่ะแ แปดขวบนี่ก็เอาเรื่องนะนบีถูกกระรังแกบ่อยนี่พ่อได้ยินเฮ้ยนบีมีคนมามามารุมนบีมาอะไรเนี่ยจะออกจากบ้านเนี่ยออกถือดาบเลยอายุแปดขวบใครใครจะมาแลใครจะมาเอาเรื่องกันบนบีถึงก็ะนัมีมีบางครั้งนี่ออกมาเนี่ยนพนุ่งอะที่เราที่เราเรองอะไรกอิซาร์เนี่ยใส่แต่พนุ่งอย่างเดียวเนี่ยไม่ ไม่ใส่เสื้ออะไรเลยอองเนี่ยชักดาใครจะมายุ่งกันนบีซูเบย์เป็นอะไรวะมีมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องท่านนบีเขาคุณแม่ของซุยเนี่ยโซฟีอาเบนตอับดุลมุตตลิบเป็นป้าของท่านนบีหรือเป็นหรือเป็นอาของท่านนบีโซฟีอาเบนตอับดุลนี่คือรุนแรงซาดิท่านนบีวะกัสซาดิท่านวะกัส أبو ع ب ي د عامر بن الجراح. سب ن خ ل فاسي كن ق ا ب و ب ك ر ع م ر ر ث م ا ن علي. ل ق ا إيجو كن. ب วก ا ب 4 كن. إ أنت 10 10 ن ا ل ت ن ب ر ب و ش ื่ ليه؟ ن ه ا ن ي بن ت ق ب أ ن 1 ت ن ب ي و كن ي في س و ا ن كن ي في س و ا ن سب كن. ي نه س و ا ن العشرة المبشرون بالجنة. สหภาพสิบท่านที่นบีรับรองว่าจะเข้าสวรรค์พวกนี้เนี่ยเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นแรกเลยอะรุ่นบุกเบิกเลยแม่งงั้นนบีจะการันตีทำไมในชาวอันซอรนี่ก็มีรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกในที่ไปบายานนบีที่ตอนไปทำํำฮัทก็คือพวกที่ไปชวนท่านนบีให้เขายกไปมัณฑนามีอยู่สองกลุ่มสองปีนะที่ สปีที่เขาไปเชิญชวนท่านนบีไปอาลอาคบลูะหลังอาดุอาคบสถานีนี่สองปีไปทำไมเนี่ยไปเชิญชวนท่านนบีคิดดูสิปีแรกนี่ไม่กี่สิบกว่าคนปีที่สองนี่จิสิบกว่าคนชาวอันซอดนี่ก็ถือว่าเนี่ยกลุ่มนี้นั่นก็คือพวกแนวหน้าของชาวอันซอดเพราะพวกนี้รุ่นบุกเบิกที่เขากล้าหาญที่ไปชวนท่านนบีอพยพจากมักกะมามานินะส่วนมากก็เป็นแกนนําของ เ่าต่างๆในเมืองมดีนนะแต่โดยรวมเนี่ยอุลามะเขาจะแบ่งกลุ่มซอฮาบนี่ในเรื่องแนวหน้านะเสบีกูเนี่ยแนวหน้าในการสนับสนุนท่านนบีสุลต์ละออฺอฺลัยฮไม่ใช่แนวหน้าในการที่จะรับอิสลามก่อนอย่างเดียวไม่นะแนวหน้าในการสนับสนุนท่านนบีสุลต์ละออฺอฺลัยฮ เพราะมีสาวะบางคนเนี่ยรับอิสลามรับอิสลามตั้งแต่แรกเลยแต่ไม่กล้าที่จะสนับสนุนท่านนบีเช่นอัลอาบบัสเนี่ยลุงของท่านนบีเองรับอิสลามตั้งแต่แรกเลยแต่นบีอพยพแค่ไม่ได้อพยพถึงขนาดที่อยู่ที่มักกะเนี่ยเป็นมุสลิมมานะ สมครามบาดรเนียชาวกุเรชที er, ่บังคับให้เขาออกมาสู้รบกับฝ่ายกุเรชสู้รบแทนอบดุลลาฮ์เาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะเขามีมีลูกหลานที่ต้องเลี้ยงแล้วก็กลัวไม่ได้อพยพจานั้นอาลอาบบัสถึงแม้ว่ารับอิสลามมาในเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าไม่ได้อพยพรุ่นแรกที่ออกไป สนับสนุนท่านนาบีเนี่ยเลยไม่ได้ความประเสริฐเหมือนคนอื่นไงเขาก็เลยบอกว่าเอาแล้วก็สอบบ้านนี่เราจะเราจะถือว่าใครที่ประเสริฐที่สุดคือตัวบทที่มีตัวบทว่าท่านนาบียกย่องใครมากที่สุด น, นั่นนะนั่นนะคือคนที่ประเสริฐที่สุดใ น, นมุสาวัที่ถือว่าอยู่ในแนวหนนะ้าใครอะสี่คนแรกที่มีเอกชนอิสมาอานี่นะก็คือ ขอลีฟาทั้งสอบักร้องอัลอุสมานอาลีัดจากสีท่านเนี่ยก็คือหกท่านที่ท่านนบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ถัดจากนั้นนะใครอะชาวบัตชาวบีตยัมีหลักฐานว่าล l l a h ให้อภัยโทษถัดจากนั้นนะชาวอดเพราะเป็นคนที่เสียสละเยอะเสียชีวิตเยอะแล้วก็ เสศระสู้รกับท่านนบีในยามที่ลําบากมากถวายชีวิตหลังจากนั้นนะก็คือชาวต้นไม้บียงอตุเบียงอตุชั้งเจอคนที่สัตย์บันกับท่านนบีในใต้ต้นไม้เนี่ยในสงครามอัลฮฺไดบียแต่สงครามมันไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่เขามาให้สัตย์บันกับท่านนบีเนี่ยถวายชีวิตเลยแสดงนี่ในสงครามนี้เนี่ยเราจะถวายชีวิตเพื่ออัลลอฮฺ ประมาณ 1,400 คนในประวัติศาสตร์นี้นี่น่ยชาวชาวบัดชาวอุฮุดและก็ชาวต้นไม้ใบอุดชั้นจระเข้ที่จะมีความประเสริฐเหนือกว่าสหามาคุณเพราะทั้งหมดนี่ไม่ไม่น้อยนะสหามาทั้งหมดนี่ตามนิยามของอุลามะทั้งหมดนี่ส่วนมากกันะครับยกเว้นนิดนึงอุลามะนิดนึง นียามาของอิลรุสุนในวลจามาทั้งหมดเนี่ยสหายบคือคนที่ได้เห็นท่านนบีเห็นท่านนบีไม่ต้องขนาที่คุยกับท่านนบีนะแค่เห็นท่านนบีและศรัทธาต่อท่านนบีและเสียชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธากันนี่สหาบาเห็นท่านนบีแล้วไม่ได้ศรัทธาโออย่างังนเยอะเลย จะเป็นกาเฟตไงจะเป็นหาบาไหมไม่เป็นหาบาเห็นท่านนบีแล้วก็ศรัทธาต่อท่านนบีแต่ไม่ได้เสียชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะไปตกศาสนาอันนี้มีสองสามตัวอย่างมีอยู่คนหนึ่งที่ศรัทธาต่อท่านนบีแล้วก็พยพไปฮะบะชะที่อียิบีครั้งแรกพยพไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ไปรับศาสนาคริส แล้วก็เสียชีวิตไปก็มีอันนั้นนะไม่ใช่สหะไม่นับเป็นสหาบะต้องศรัทธาต่อท่านใแล้วก็เสียชีวิตในฐานะที่บผู้ศรัทธายังจะได้กูสหะบะจานวนเท่าไหร่อิบนฮุรเลบอกว่าประมาณแสนหนึ่งเอามาจากไหนเอามาจากรื่งานฮะดิษที่สหะบะบางท่านถูกถามว่าฮะจุรทุลวด้าเน ฮัจย์อัมลาที่ท่านนบีทำฮัจญ์เนี่ยปีที่สิเนี่ยปีที่สิคนที่มาทำฮัจญ์กับท่านนบีเนี่ยกี่คนเขาบอกว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งแสแสดงว่าคนที่มาทำฮัจญ์นี่คนที่เห็นท่านนบีนะเพราะคนที่ทำฮัจนแน่นอนก็ต้องเห็นท่านนบีเพราะอะไรเพราะนบีได้ทำฮัจญ์ครั้งเดียวและนบีได้บอกว่าคุดวงันนีมันานาซีกลุ่มจงเอาพิธีฮัจจ์เอาจากฉัน สหามะทุกคนนี่ก็จ้องท่านนาบีอย่างเดียวท่านนาบีทาอะไรนี่นี่คือการทําให้ที่เราต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดแสดงว่าแสนนึงทั้งแสนนี่เนะ่ยเห็นท่านนาบีแน่นอนนี่สหามะแต่สหามะที่เรารู้ชื่อนี่ระ บ, บุชื่อนี่ชัดเจนรู้ชื่อเป็นใครพ่อแม่ปู่ยา่าตายายเป็นใครรับอิสลามกับนบีเมื่อใดมีบทบาทอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยประมาณ3ามสี่พัน สามพกว่าในสามพันกว่าท่านเนี่ยแบบว่ามีสาะที่มีเ ah, รื่องเดียวเรื่องนิดเดียวรายงานฮาริสสั้นๆฮาริสบทเดียวก็ถือว่าสาวะแล้วไงแต่ชื่อไม่ดังเช่นมารซัดอับดุอบีมารซัดอัลกันนุใครได้ชื่อไมไม่มีไม่มีคนตั้งชื่อลมารซัดนี่ไม่เคยมารซัดนี่ เพราะไม่มีใครรู้จักเยอะนะสาบา้านชื่อแบบนี้ที่ไม่มีใครรู้จักเยอะเขาบรกว่าสาบ้ที่ดังๆนี่นะก็หลักรอยสาบ้านที่ดังๆนะอานนักกหลักรอยดังๆนี่กระหม่อมทีว่ามีชื่อเสียงมีประวัติพอที่จะเล่าประวัติละเอียดนี่บ้างหลักรอยก็อาศัคบคุนบรรพชนรุ่นแรกนี่ที่สนับสนุนท่านนาบิบบิศร u a h a l a y h ไม่ใช่หมายถึงว่าสานนะไม่ใช่นะ เพราแสนเนี่ยก็คนทีรร่รับอิสลามรับอิสลามหลังจากนบีชัยชนะแล้วบิชิตมะ ก, กาอะไรเด้เพราะแล้วก็มีคนนี่โอ้ตอนนั้นคนมารับอิสลามเพียบเลยแต่คนที่สนับสนุนท่านนบีทั้งแต่แรกเลยถึงขนาดที่อุลมามะบางท่านบอกว่าคนที่อยู่ในแนวหน้าในี่ซาบิกูนอลัลอาวูนจะเป็นมุฮัจรีนผู้อพยพหรืออังซอรเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ ละหมาดสองกิบหลันจบเลยนะพวกเรานี่จบเลยนะนี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะแล้คนนี้่ละหมาดสองกิบหลันนี่ก็แค่นี้แหละอ่าแค่นี้แหละมีพวกมุฮัจิรีแน่นอนว่ามุฮัจิรีในที่มาการในเขาหันหน้าไปแน่นอนแล้วก็จะมีชาวอังซอรส่วนมากส่วนมากในที่รับอิสลามในช่วงนั้น เพราะนาบีละหมาดหันไปที่มัสยิดอักษรตอนนี้อยู่มาดีนะนี่นะไม่กี่เดือนแล้วก็เปลี่ยนกิบลัดใช่ไหมแสดงว่าต้องหันหน้าสองกิบลัดนี่ถึงจะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เนี่โอ้อันนี้อันนี้กรชับชัดชัดเจนคนที่มารับอิสลามที่หลังหลังจากที่เปลี่ยนกิบลัดไปแล้วเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่นับอันนั้นก็ไม่นับ มีรายงานจาก سعيد ابن المسيب <แ>ซึ่งเป็น تابع ีนเป็น سعيد المسيب เนี่ ย, เ ป, ยเป็นรุนเป็นรุ่น تابع ีนเนี่ยที่ได้รู้จักสัฮาบมากที่สุด تابع ีนที่รู้จักสัฮาบมากที่สุดในจนํานวนสัฮาบาที่ผมได้บอกนี่นะจนํานวนสัฮาบาทั้งหมดนี่แสนหนึ่งที่มีประวัติชัดเจนเนี่ยหลักร้อยหลักร้อยที่มีชื่อมีอะไรเนี่ยกันหลักพันนะนะ มีชื่อหลักพันนะแต่ที่มีชื่อเสียงนี่หลักร้อยแต่บีอินคนหนึ่งที่ดังที่สุดในบรรดาะบีอินเพราะอะไรเพราะคนนี้นี่เรียนรู้จกย و. ย و ากซาฮาบาเยะเยอะเท่าไหร่เจแต่เจสบนี่คือคือหัวกระที่ของซาฮาบาไงซาฮาบาที่เร่งงานหานิซเยอะพรอไซนุเซมเนี่ยเป็นนักเร่งงานหานีซ เขาจะเรียนรู้จากใครงั้นหมืนนะสฮามะดังดังอัลลอฮุมะมรอัลลอฮิมยามบัสฮะบุไรรอนนชื่อดังดังอาจจะมีแทบีอีนบางคนเนี่ยรายงานจากสฮาบะบางคนนี่อาจจะไม่ชื่อไม่มีชื่อเสียงก็ได้แต่แต่นี้พูดถึงแทบีอีนดังๆังกันเองไซิบล์มุซีบฮัสนอัลบาซรีพวกนน่ยอันนี้กรู้จักสฮาบะเป็นลูกศิษย์สฮามะลักซิบิแต่มีแทบีอีน รูจักสาบคนเดียวคนเดียวก็ถือว่าเป็นตทบีอินแล้วนะเช่นมุฮัมมัดจะเป็มุสลิมอัลซูฮรีโชคดีเร่งงานจากอันอัลิบดีมาลิกบดเดียวโดีเป็นตทบีอินฮึ้นระดับเป็นตทบีอินก็ถือว่าเป็นซีการุตแทบีอนเป็นตทบีอินรุนรุ่นหลังอุเขาไม่ไม่ไม no ่ไม่ท <So grow samurai tiden> ันย่ามุซายบอสัลบสติบอุส ถ้าเป็นตะบยอินหลักษิบสิบพวกนี้แหละที่อัยนิไม่ร่วมว่า وال ที่นั่นติดตามและบรรดาผู้ดําเนินตามพวกเขาด้วยการ ท, ทําดีตับยอินซึ่งตะ้บย์อินนี้ก็จะเป็นรุ่นตะ้บย์อินทีบบท่ติดกับรุน่นสหาบายเลยเนี่ยแล้วก็มีตั้บย์อินรุ่นหลัง ตบเอนหลัอย่างเราเนี่ยเรียกว่าตบเอนนี่เราเนี่ยเรียกว่าตับอนถ้าปฏิบัติตามฮาบมุฮิรและอันซร์ซานในด้ยดีนะอันนี้เรานี่ว่าตบอนตบอนเนี่ยในคนิยามด้านประวัติศาสตร์เนี่ยเฉพาะสองรุ่นเฉพาะสองรุ่น ن นื่องจากว่ د ي ث مكتمل أ ي ا ن ي اثني نهائى من أ ن ا ث ا م ي ا ن ي ا ث ي ن ه ا من ي ا ه ن ا ن ه ا ئ م ا ل ب خ ا ر ي ن ه س ل م ر أ ي ا ن ا ث ن ن ه من ع ي د ا ث ل ه بن م س ع و ا ر ض ي ا ل ن ي ن ه ا من ن ب ث ي ص ل ى م ل ل ا ه ع ي ي ه و س ل من ي ا اثني ا ئ من ي ا ن ي ث م ا ل ذ أ ي ن ي ل و ن ه م ث م ا ل ذ ي ن ي ل و ن أ ه م ث ي م ي ا ي ا ق و ا م ت س ا ه ه ا د ى م أ ه ي ا ي ن ه ا ي م ي ه ن ي ي ن ه ش ه ا د ت ه ท่านนบีบอกว่ามนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยกรนีรุ่นฉันกรณ์แบว่ารุ่นรุ่นฉันยุคของฉันยุครือรุ่นซุมมัลลาดีในหลวนะฮะแล้วก็รุ่นถัดไปถัดไปจากรุ่นฉันเซุมมัลลาดีในหลวงแล้วก็รุ่นถัดไปแสดงว่ามีกี่รุ่นทั้งหมดสามรุ่น إما منوي لا يأتي باي ب و ا ل ص ي ح ت م ي ن منك ما هو؟ أن قرنه صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ه رنكم ل ن ب ي ك رنكم ص ا ب ا أن نن. ن يقول السابقون الأولون رن راك بسون رن راك راك يعني نن ل رنكم نبي الله صعبا يعني نن. كم ัน صحيحة؟ เพราะท่นบีบอกว่าก็มีรุ่นของฉั أ ا ا. นก็รุ่นคนที่มีชีวิตกับฉันก็มีตาสฮะบะที่เห็นท่านนบีแล้วก็สักคนนี้ไม่ได้เห็นท่านนบีตัวตุ่นละมีนะคนที่อายุส่ออายุส่นี้อายุอายุเขาเนี่ไล่ไล่กับอายุของสฮะบะนะจะไม่ทันท่านนบีเช่นอวสอวสอัลกัรนี นั่นน่ะรู้รู้ว่าท่านบีนี่เทศนาแล้วแล้วจะอพยพไว้สิครรนิกุลเดียบอบดุลโมสลอชาเรียร์นรุ่นเดียวกันเลยแต่เขามีแม่เขาเนี่ยรักมากขอนญาตขออนุญาตจะไปหาท่านนบีจะได้ศรัทธาแม่ไม่ยอมเขานี่กรตันอยู่ต่อแม่ไม่ยอมเลยอ่เขาก็ไปไม่ได้ ไปไม่ได้จนท่านนาบีเสียชีวิตไม่ทันอุไวสจึงถือว่าเป็นแต่บียดีไม่ไดไม่ช่วยซอฮาบะทางดังดีท่านนาบีเนี่ยด้วยความประเสริฐในการกระตันยูต่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์นี่บอกเรื่องของอุไวสนี่บอกกับท่านนาบีนบีก็บอกกับซอฮาบะ เ, เหมือนนบีรู้ว่าคนนี้อยากจะมาแต่มาไม่ได้อลลอฮบอกเขาว่า เพว่ามีนี่มีคนคนหนึ่งอยู่ที่ยิเมนเนี่ยเผ่ากัลนคนนี้เนี่ยถ้าพวกท่านนี่เจอเขานี่นะขออุดมอก็นั้น่ะอุดมเขามุสู้จันบีไม่เครู้จักไม่เคยเห็นน่ะแต่จะเียกว่าบาบไมนั่นนบีรู้จักไงนะเอ่ยชื่อด้วยนะถึงนั้ที่อุลามาเขาขิลาบกันว่าในบรรดาตมยูอีเนี่ใครที่ประเสริฐที่สุด คนละมบางท่านบอกว่าต้องอวยสิเพราะในบรรดาแทบีอินไม่มีใครที่ท่านนบีเอ่ยชื่อแล้วก็พูดถึงความบุนอกจากอวยสักคนนีคนเดียวทราแต่บีอินคนอื่นไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อนบีแต่ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นซาฮาบะมั่อันนวิบอกว่ารุุ่นแรกนี่คือซาฮาบะอันที่าองนีตแทบีอุนแบีอนคืคนที่ตามปฏิบัติตาม ก็คำนิยามตามคำนิยามในอุชามุสลิมอะดีสเน่ในคำนิยามเรื่องสายเรื่องงานอะดิสแต่เบญุนี่ก็คือทุกคนที่ได้เห็นสหายบาแม่แต่คนเดียวแล้วก็ศรัทธาหมายถึงว่าเป็นมุสลิมเสียชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาอันนั้นอาจารบญอีกเหมือนเหมือนสหายบาเน่ยต้องเห็นท่านนบีเห็นท่านคาว่าเห็นนี่ก็หมายถึงว่าพบพบ ทำไมอามรบเนื้อหมกตูมเห็นท่านนบีไหมอาวรบตูมตาบอดมัวอินของท่านนบีงตาบอดไม่เห็นท่านนบีอ้าวนิยามตรงนี้เนี่ยต้องเห็นท่านนบีไม่ใช่หมายถึงหมดพบพบพบกับท่านนบีเจอท่านนบีมีหลายคนนะที่ตาบอดหนึ่งเนอามรืออามรืีมีหกตูมในตะเบียอินเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ที่ตาบอดก็ไม่เห็นซาบะแต่พบซาบะ และนับเป็นทวีนี่รุ่นแรกนี่ที่อัลลอฮ์ได้บอกในอายัญเนี่ยวัลลัดีนัตบ่าวมุลับบรรดาบรรดาผู้ดําเนินตามพวกเขาพวกเขานี่คือสหาบ้างไงมุฮัจิรีแล่าสอนก็แสดงว่ามีรุ่นรุ่นเดียวหลังสหาบะางตามอายัญนี้นะมันต้องมีรุ่นเดียวแต่วัลลัดีนบรรดาที่ตามปฏิบัติตามเนี่ย ปฏิบัติตามโดยทันยุคของเขาและไม่ได้ทันที่ทันยุคของเขานี่เป็นตาเบลีนแน่นอนตามตัวบทนะแต่ที่ไม่ไดีทันยุคของเขาเนี่ยอันนี้ต้องมีตัวบทมารองรับว่าจะเรียกว่าตาเบอีนจะเรียกว่าคนที่ปฏิบัติ ด, ดำเนินการตามสหบาอย่างชัดเจนอันนี้ต้องมีตัวบทมาสมทบก็คือหฮดีสทุทรนนาบีนี้ เลยมมาวีลยบอกว่ายุคที่สมเนี่ยบิูฮุมก็คือคนที่ปฏิบัติตามยุคของแทบิอีนรุ่นที่สองนะนบีละซาบานีรุ่นหนึ่งบิอีนเนี่ยรุ่นสองแบิอิบิอีนรุ่นที่สแล้วเราอะบิอบิอบิอบิอบิอเรียกได้นะ แต่เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานที่จะรองรับรว่าเราเราหมายถึงว่าเราจะถูกบรรจุในบรรดาแท บ, บิอีนเนี่ยไม่มีไม่มีหลักฐานรองรับแต่ะระหวังว่าถ้าเราปฏิบัติตามเงื่อนไขในอายานี้เราหวังว่าเราจะอยู่ในผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์ดาล่ยกย่องเขาตามอายะที่จะอธิบายภายหลังเนี่ยเพราะเราบอกวว่าลัลลอฮฺบอกว่า และบัรดาผู้ที่ดำเนินการตามพวกเขาปฏิบัติตามนี่สิปฏิบัติตามดำเนินการตามพวกเขาตามใครอะ่ะก็คือรุ่นแรกก็คือนบีและสฮาบะด้วยอายะนี้และก็ะดีษนนหะดีสไหนะดีสนี้ต้องต้องจำนะคนที่รักสฮาบะรัก รักนบีรักสัมรักตบิญตุมจำเห้ได้นะฮะดีสิ่งศัลย์นั่อธิบายง่ายนะ خير ุนนาสิ قر นิทุมมั่นแลดวี่นั่งรูนั่งทุมมั่นแลดี่นั่งรู้นั่งสามประโยคนี้จ้ให้ได้ทําไมอ่ะเพราะเนื่องจากว่านบีได้นับสามรุ่นสามยุคเนี่ยบรรดาอุลามาก็เลยถือว่าสามรุ่นแรกเนี่ยคือสามรุ่นที่ประเสริฐที่สุดในประชาชาติอิสลาม เรียกว่าอุลมะคอยชัยว่าอัลกุรอนอลมุฟดัลละอัลกุรอนบรรดารุนอัลมุฟดัลที่ประเสิฐยิง่งรุ่นอื่นอาจจะมีคนที่มีความดีงามมีความประเสริฐแต่เธาจะเอารุนาร่นทั้งรุ่นนาวสมมติว่าศตวรรที่หา้าที่หกเนี่ยมีคนดีโอ้มีคนดีเชื่อมโนซมีนบอกว่าอาจจะมีในรุ่นหลังเนี่ยอาจจะมีบุคคลคนหนึง่งประเสริฐกว่า ในรุ่นโซฮาบ้าและกาตาเบรินรายบุคคลนะมีประเสริฐกว่าเป็นไปได้แต่จะมีรุ่นหนึ่งประเสริฐกว่ารุ่นของซาบ้าโนเวเป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นการรับรองคือรับรองทั้งรุ่นเลยอ่ะไม่มีไม่ ม, ม, มีจะถือว่าเป็นอะไรว่า กรุอนี่คือสามรุนนี่รุนรุนแบบฉบับแบบอย่างแบบอย่างในเรื่องอะไรอะแบบอย่างในเรื่องศาสนาในเรื่องศาสนาอย่างเดียวในเรื่องความเข้าใจกุรอารและฮะดีสอย่างเดียวนี่เนี่ยแล้วรุนนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่าอัลสลับุสซาลัยอัลสลับุสซาลัย คนที่จะมารุ่นหลังเนี่ยพวกนู้นเน่ยเป็นสลับซ้อนเลยเขาเป็นรุ่นแรกอันนี้แน่นอนเพราะเขาเป็นรุ่นแรกจริงไงแต่คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยไม่ได้กว่าสลับนะทาไมเ่ยเพราะเราเพราะเรารุ่นหลังจะไม่ได้กว่าสลับได้ไงแล้ว ร, รุ่นหลังอันนี้ด้านด้านภาษานะด้านภาษาเอ อ, อแล้วทำยังไงคือ อ, อ้างอ้างอิง เป็นรุ่นแห่งรุ่นแรกนะเราเนี่เป็นรุ่นแห่งเรื่องแรกเขาก็เลยต้องต้องเติมยากลายเป็นลラฟีอันนี้พูดถึงภาษานะใครที่ยึดมั่นในแนวของสลับแล้วก็อยากจะอ้างว่าตัวเองนี่นะไม่เอาไม่เอาคนอื่นนะไม่เอาฉันเอาสลับยางเดียวเนะ่ขาเรียกว่าサラฟีได้ไหม เอาให้จริงแล้วกันทำ ท, ำ ใ, หทำให้มันทให้มันถูกต้องแล้วกันทให้มันถูกต้องคือคำว่าสลับเนีย่ยสลัเนีย่ยเป็นการยกย่องไงเพราะแค่เอ่ยคว่าสลับนี่นะไม่ต้องคือไม่ต้องพูดมากเอ่ยคาว่าสลับนี่ไม่ต้องพูดมากแล้วสลัใครอ่ะมีซอบาจะไปอินต้องอธิบายไหยว่าพวกนี้ประเสริฐขนาดนั้นไม่ต้องอธิบายเนี่ยสารลับนี่คือยกย่องหือถ้ามาเธอเราบอกว่าฉันเนี่ยซอร์ฟิเนี่ยกําลังยกย่องตัวเองปะ ถ้ายยกย่องตัวเองนีก็ไม่เป็นไรนะแต่ทำให้มันมันดีสิทำให้มันถูกต้องอุลามาเนรุ่นรุ่นก่อนเนี่ยหลังรุ่นสลัฟเนี่ยไม่มีใครที่เขาใช้คำนี้เลยสลัฟพีนะเอารุ่นหลังนีอย่างอิหม่ามดารกุตนีนักรียงานฮะดีสที่อยู่ในแนวทางอิหม่ามนซัีหลัง สตว์ที่สามเนี่ยนี่อิมามนะสักอิมามไปฮักอิมาอืมอิม่ามอับุมา์ีอบุมา์นี่ยนยนตวที่สามอิมามอัลฮักิมม่มอับุุซัยมานี่นี่ตวที่สไม่มีใครพวกนู้นนาะแล้วพวกนี้เนาะพวกนู้นนาะยุกย่องสลับมากที่สุดนะแต่ไม่มีใครเรียกตัวเองว่าซลฟี เราะวต้องเรียกสิเพารุ่นหลังนี่มันวุ่นวายมันอุลมานมันมีกลุ่มเยอะไอ้นี่ก็ชายร้อยนี่ก็มาตุรีดียะนี่ก็นี่ก็โน่นนี่ก็นันแล้วเราละเราต้องจำแนกไงเราจะจำแนกความเชื่อจะต้องแยกชัดเจนว่าเราไม่ใช่พวกนู้นมาอก็เป็นซาลาฟีเหตุผลเนี่ยมันก็มันก็รับฟังได้ไงเห็นที่บอกว่ามันก็รับฟังได้แต่มีเงื่อนไขสามประการ สประการและเงื่อนไขนี้สําหรับทุกเรื่องที่เราจะอ้างตัวเช่นเราเรียนมัธยบัณฑิตจะเรียนมัธยบชาฑิตแล้วก็เรียกว่าตัวเองผมเรียนมัธยบัณฑิตเรียกได้ว่าชาฟีอีเนได้แต่มีเงื่อนไข3ประการหนึ่งและเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดหนึ่งนี่เรื่องสําคัญที่สุดเนี่ยการอ้างถึงสกุลเพราะมันเป็นสกุลแล้วนะ พราะด๋นี้ก็เยอะนะสมมติว่าชื่อเขาเนี่ยแล้วก็ชื่อน้ำสกุลแล้วก็ทายนี่ทายนี่อลสลาฟีใช่มอัลอัชชาีนนี้ก็มีอัลอัชฮรีนมีหมดแลวกันนี้ได้แต่หนึ่งสำคัญที่สุดนะไอ้สกุลใหม่เนี้ยตระกูลใหม่เนี้ยจะต้องไม่ทำให้เราเนี่ยสร้าง การแบ่งแยกในสังคมด้วยสิ่งเหล่านี้กระไาทถ้งว่าอย่าได้ยึดสกุลใหมน่นี้เพื่อสร้างความแตกแยกในสังคมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะไม่มีความเป็นชอบอันนี้เอามาจากไหนเอามาจากยุคสลักนี่แหละยุคท่านนะวีนี่แหละซาบ้านี่เพราะว่าอยู่ที่มาดหนานี่นะ เวลา نبي ออกไปสงครามมานะอันี ى ي ้มุฮัจิรินทงของมุฮัจิรินนี้ทงของอันซอรอย่างนี่เลยนะนบีให้ทุกคนมีทงนะหมายถึงว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็ทุกคนนี่ก็ภูมิใจว่าเขาเป็นมุฮัจิรินมุกันภูมิใจว่าเป็นอันซารได้ไม่มีปัญหาภูมิใจว่าเป็นอาชาร์ก็เชิญภูมิใจว่าเป็นเซลล์วีเนี่ยไม่ว่าภูมิใจว่าเป็นชาฟอีเป็นฮัมบัลีไม่ว่าแต่มุฮัจิรินและอันซาร์นี่พอมีมุฮัจิรินคนหนึ่งมาชกต่อยกับอันซารคนหนึ่ง ินคโอ้ยาลมฮจรินชาอันซาายลอันซรพวกมุฮัจรินมันชัวร์ชะนยอันนี้ปฐุมละอะไรที่ปฐุมนี่กำลังใจนี่นะอะตาอยู่เทนอันนี้สถาบันละอันนี้อันนี้ตาอันนี้จ้าเลียะอันนี้ีบูเรื้นมิบบอกว่ายากุมวะด้าวัลจ้าเลี้ยงจงระวังนะ วิธีการของใจวิธีการของใจเลี้ยนี่คืออะไรกเรชนี่นะกรชนี่นะเป็นสายตระกูลเดียวกันน่ะหมายถึงว่าอยู่กันนี่มาใกล้ลูกพี่ลูกน้องกันแต่นี่สายของลุงนีสายของอีกสายหนึ่งก็ลูกพี่ลูกน้องกันแต่เวลาทะเลาะกันโอ้ลูกพี่ลูกน้องจนอินิเกลูกกันนี่ก็ตระกูลเดียวกันนะนี่ j, i, j h a นี่ j h i l i a พอมูฮัจญูรอันซอร์เนี่ยก็จะเอาเรื่องชื่อมูฮัจซึ่งเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเขาพอจะใช้ผิดที่ผิดทางนะนบีขึ้นประนามเลยเขาก็ไม่ได้ดาวฮะ ท, ทะนะิ้งมันซะนี่คำพังพูดตรงนั้นเลยนึกว่าดาวฮะทิ้งมันซะฟาอินนาฮะมุลตินะมันช่างเหม็นเหลือเกินเหม็นนี่คืออะไรคือรูปรูปแบบของใจแล้วมันมันเนา่าเฟะอย่าเอามาใชา้ นี่ก็เหมือนกัน้วเวลาถ้ามีอะไรทละก็โเ้ยอาชาร่ามาช่วยกันหน่อยเฮ้ยรักมาช่วยกันหน่อยแล้วก็แตกแยกกันสังกมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นศตวตรรษที่ห้าอิรอเกิดขึ้นที่อิรักเมืองบกัก์เดอยูนิคอสซีฟได้รงานไวน้ในหนังสือรประวัติศสาสตร์วันนี้ ตัวแรกฟิดนาเลยนี่ผมลืมชื่อล้แจะเป็นฟิดหน้าของคนคนหนึ่งที่กุเรื่องกุเรื่องระหว่างฮานาบิล่กับอาชาร์รอฮานาบิลตอนนั้นน่ะก็คือคนที่คนที่จะยึดในในในอากิด้ของสลฟอาชาร์ร์นี่ก็จะยึดในในอากิด้ที่มีเรื่องตีความยุคแย่กันถึงขนาดที่เกิดสงคราม สองขามันจนะชักดาบกันฆ่ากันนะและนี่คือฝิดน้าที่บรรดาอุลมามะต้องเอาส่วนน้ประนามมากที่สุดเพราะมันเลยเถิดโตเถียงกันโกรธกันถึงขนาดโต้เถียงกันไม่ได้แล้วต้องชักดาบคือแน่นอนก่อนชักดาบนี่ก็คงมองตรงข้ามเนี่ยแต่ละฝ่ายนี่มองตรงข้ามเนีไม่ใช่มุสลิมแล้วไง มือที่เรากำลังเห็นกันนะเนี่ยแต่ตอนเนี้ยอาชัยรอนีอาชัรอนีอานด้ใช้ไม่ได้ไอ้อาชัรอนีก็ว่าไอ้พวกซลัมนี่เออพวกมุจซิมะอัลลอ์มีทิศนี่พวกนี้กูฟรเดี๋ยวนี้เนี่ยสองสังสถานนี่ฟัดกันไปฟัดกันมานี่มีแต่มีแต่กล่าวหากูฟรอย่างเดียวหมุนทิน่ะช่างหมินเหลือเกินเนี่ยผมได้กิน กินฟิดหน้าที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในบ้านเราไม่มีไม่มีคนคนที่มีปัญญาที่จะยับยั้งพวกนี้นพี่น้องกําลังถูกเข็นข้ามุสลิม่าทิกาซาถูกคมคืมนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฮามาสเป็นคนพูดนะไม่นี่นี่นรายงานของนานาชาติมุสลิมา่าถูกคมคืมนแล้วก็นี่ยังยังจะมายังจะมาคุยกันเรื่องเรามีทิศไม่มีทิศ เขาบอกว่าอาณาจักรครีซนะถือว่ารุ่งเรืองที่สุดเป๊บเดียวนะครับล่มเลยโรมันนี่เข้ามาปราบแป๊บเดียวนะครับสงครามเดียวเนีน่ยปราบครับเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะกระโรมันเข้าไปครีซเนี่ยเขากําลังเถียงกันว่าพระเจ้านี่ลักษณะเป็นยังไงเขาเป็นพระเจ้าของเขาเนี่ยก็คือเทวเทวเท ว, วรูปอะไรต่างๆเนี่ย ต้องมียังไงต้องมีลักษณะยังไงนเนี่ยเถียงกันเถียงกันเรื่องแบบนี้นะโรมันเนี่สวยโอกาสนี่ก็คุยกันเรื่องนี้นะซักทีเดียวเนี่ยหมดเลยไม่เหลือเลยแล้เป็นแนวสลับจริงๆอะนะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องไม่ต้องไปลึกขนาดนั้นไม่ต้องไปลึกขนาดนนสลับเนี่ก็ไม่รั่ว ก, กันมาเจะแล้วผมก็นี่เรื่องที่ทั้งฝั่งอชาชัยรอนี่เขาก็ต้องมี อุลามาที่มีปัญญาที่จะรองรับเรื่องนี้ได้ไม่รู้ปล่อยมันปล่อยบรรดาตัวบทที่เกี่ยวกับคุในลักษณะอัลลออ่านอ่านแล้วก็ผ่านไม่ต้องลึกไม่ต้องเจาะไม่ต้องแควลออยู่เบื้องบนเบื้องบนปนเป็นทิศหรือเปล่าแล้วกับทิศเนี่ยมันก็ต้องมีสี่ทิศไงทิศหนึ่งข้างบนก็้ังก็มีทีทิศทามายูทิศเนี่ยแสดงว่าอัลลอถูกล้อมด้วยทิศถูกล้อมด้วยทิศเนี่ยอัลลออัลลอเป็นสิ่ง ที่มีทิศล้อมพระองค์แสดงว่า a ล l a ไม่ไดพระชจาไม่ใช่พระเจ้าหกโอ้ยกูฟุดอย่งี้งกูฟุดลึกเกินไปอะลึกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ก็ลึกเหมือนกันไม่เว้นเหมือนกันลึกไปอีกโตกันไปโตกันมาเองจนเดี๋ยวนี้เนะี่ยดูดนสังคมสถาบันเนี่ยบางสถาบันนะี่จัดงานนะ่ะนะพูดเรื่อง a l l a มีทิศไม่มีทิศแทนที่จะพูดเรื่องการซาบ สัตวตรูกันล่ะยามีอิสลามยามีมุสลิมทุวโลกเนี่ยทนนี้จำอัลกบเนอับดุลสลามในอุลามาในรุ่นศตวรรษตวรที่เจ็ดเนี่ที่ที่เมืองชามเนี่ยเขาบอกว่าผู้รู้คนไหนคนใดที่พูดเรื่องจิน่าว่ามันบาปเนี่ยขึ้นมีมบั้นในพูดนู้นจีนานี่มันบาปนะระวังนะในขณะที่ทินนั้นนะทินนั้นนะ สิ่งที่กําลังกระจายกําลังแพร่หลายเนี่ยก็คือริบาบาที่กําลังแพร่นี่คือริบาไม่ใช่สีนานะแต่อีวะนี่ไอ้ผู้รู้คนนี้เนี่ยขึ้นมาระวังสีนา่าแต่ริบาเต็มมากกว่าโหคนเนี่ยทรยศศาสนาทรยศศาสนาเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นบ้านเราก็บ้านเราตอนนี้อะไรกันอะไรที่มันเดือดร้อนมากกว่า คนที่ขายกัญชากระท่อมหน้าสถาบันหน้าทําไมคนที่เรียนศาสนานี่ยมีน้องไปดูเอากระท่อมนี่ไปดื่มในหอเลยอ่ะอันอันอันนี้สําคัญกว่าป่ะเรื่องนอทิดมีเอบนไตเมียกาเฟรืไม่ช่กาเฟตถ้าถ้าถ้าไม่มีผู้รู้ไม่มีคนที่มีมาปรามมาปราบุกนี้สังคมของเรานี่ก็แย่ลงแย่ลงแต่ที่ทําให้ มีความหวังนิดหนึ่งนะว่าปัญญาชนในสังคมเนี่ยยังเป็นคนส่วนมากนะผมเท่าที่ผมดูนะคนที่ชอบตามเรื่องนี้เนะี่ยส่วนมากนะก็คือคนที่ปัญญาอ่อนิดนึงอ่อนิดไม่อ่อน่ิดนึงปัญญาอ่อนิดนึงสังเกตได้จากการคอมเมนต์จากการโพสเรื มไปดูเนยบางคนคีคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยไปฟัดมไปรู้พอไปดูไปดูโปรไฟล์ของเขานะโอ้ดูบอลดูละครดูหนังเก่งเหมือนกันนีโอ้พูดเรื่องอากีด้าระดับนี้เนี่ยก็ยังมีเวลาไปดูบอลดูนี่ยน้อยๆน้อยๆ น, ย น, ย น, ย น, ยนยสิขัดเก้าตัวเองนะให้มันเรียบร้อยถึงจะไปโต้เรื่องอากิด้าแต่คนอื่นเขาเนี่ยยังมีเวลาห呐 ขัดเก้าต um ัวเองเรียบร้อยแล้วเหรถึงจะเป็นสถาบันาตัวเองนี่เป็นคนนี้เราต้องปกป้องอภิไดเราต้องปกป้องตัวเองคนปกป้องตัวเองก่อนปกป้องตัเองก่อนถึงจะรบแต่เป็นมุสลิมนีดีที่สุดถึงอัลเลมานที่บอกว่าบรรดาสกุลบรรดานามที่เราอ้างถึงเนี่ย ไม่มีอะไรที่มีที่ฉายาน่าภูมิใจมากที่สุดนอกจากฉายาที่อัลลอฮ์ตั้งให้เราอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งฉายาให้เราเป็นอัชฮะีเป็นสลัฟีเป็นชาฟีอีเป็นฮัมบัลีเป็นอะไรไหมอัลลอฮ์ตั้งฉายาให้เราหัวสัมมาคูมุลมุสลิมีนพระองค์ท่านได้ให้นามฉายากับพวกเจ้าเนี่ยอัลมุสลิมีนนั่นใครถาม ใครถามเราเนี่ยฉายาคืออะไรอันมุมุสลิมอันมุสลิ ม, ม, ล ม, ม, ลมแล้วเราต้องภูมิใจในเรื่องนี้ น, นี่มากกว่าฉายาอื่นนะมีเดี๋ยวนี้ที่ไปสอนสอนสอนะว่าถ้าถามว่าอันนั้สลัฟีวาอัฟเตอรฉันเป็นสลฟั ฟ, นนลฟีและภูมิใจทําไมภูมิใจด้านไหนอ่ะมีใครตั้งให้ไหมแล้วก็การันตีได้ยังไงว่าตัวเองเป็นสลัฟีจริงหรือเปล่า เนีนีมีนลนีคนเาก็มีเลฟนีีีสดดูนสหาชีวิตเขาอย่างไงชีวิตของของสหายนี่เพราะนี่คือสลรพจริงๆใช่ปะเขลมาดตียมุเลยเขาอ่านคุรอ่านยังไง มากียมุเลมารยะดีอะไรนี่ไม่สาคัญเท่าอากิดใครบอกอะสลันี่ก็มีบดเลยนะมีทั้งอากดาแล้วก็มีทั้งกียมุเลมีทั้งมรยังหมดนีต้องเอาหมดดไม่ใช่เอาเฉพาะอากดมีมดในสลันี่ก็มีหมดไม่เฉพาะอากดาแล้วก็จะได้ถือว่าเป็นสลัสลัอากดเนี่ยอากดสลั้ถามอากดสลันี่เอามาจากไหนนี่้งอาเลมนีก็กลับเป็นอุลามาของซาอุดีนี่ไม่ใช่สลัแล้ว แสดงว่ากํา <intent>? ลังเขาจะลองไปดูนะถ้ามีถ้าเขากลุ่มซาลับตอนนี้เนี่ยที่เขาอ้างนะก็มีแต่อุลามาซาอุดีอย่างเดียวแสดงว่าอุลามาอื่นทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครเป็นซาลับเลยละไมีเคยเป็นซาลาฟีเลยนะเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้สรุปแล้วเนี่ยเรากําลังกระตุกคําว่าซาลาฟีเนี่ยเฉพาะอุลามาในประเทศเที่ยวประเทศเดียวเลยนะเอาฟะตัวของเขาาแนวคิดของเขา แล้วจะหากว่าเผลอๆเนี่ไปฟังบรรยายอุลามาที่ไม่ใช่คนซาอุดีนะั่นะนะ่นะนะั่น่ะเันนกียมัิเลยนะต้องถูกแบ่งเนอะเป็นกลุ่มไหนเป็นมาจากไหนพวกนู้นเป็นพวกนี้ไนะาจะฟังอุลามาโมร็อกโกหรือฟังอุลามาที่ถ้าฟังอุลามาที่อียิปต์เนี่ยต้องผ่านการรับรองของอุลามาที่ซาอุดีก่อนต้องผ่านก่อนนะถ้าไม่ผ่านนี่ ก็ไม่ได้ฟังไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะข้อแรกนี่ก็คือจะต้องไม่สร้างความแตกแยกน ะ, ะข้อที่สองสิ่งที่เราพูดแล้วก็ทำเนี่ยมันต้องสดคล้องกับสกุล น, นั้นเช่นเราเรียนฮัมบารีแล้วก็ไปเรียกตัวเองชาว ย, ย่างเงี้ยีมันไม่อันนี้โกเช่นเดียวกันเรานี่ย ไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องแนวสลับนี่นะเนี่ยเนอกจากเรื่องสองเรื่องสมเรื่องสิบเรื่องอะแล้วก็เรื่องอื่นของสลับนี่เราไม่ทําแต่ไปอ้างว่าสลับอันนี้โกหกเหมืออะไรรู้ไหมบ้านเราตะก่อนนูนคนดีไม่อุซลลีไม่สละวัตรน บ, บีเสียงดังไม่เมาลิดน บ, บ, บีไม่อีซีกูโบไม่อ่านยาซีนอันนี้นะเป็นซุนน่าแล้ว ไอ้อะเป็นสุนแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นสุนเเต็มรูปแบบเลยอยาขอให้ออยาได้อ่มลิดนบีบารซันเดียอะไรนี่บรดนี่ไม่เอานะสลาวาสนบีเสียงดังนี่ไม่เอานะนะอุซลีนี่มายถึงว่าตัวอัลลออุซลีนี่ไม่เอานะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอุลามะได้บอกว่าไอคนนี่กลอุซลลีนี่เป็นบิดาไม่มีไม่มีอุลมาก็เรื่องนี้มีในมัสับไหนท่ไหนแล้วไม่มีอุลมาก็บอกเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นบิดาไม่มี ถ้าเราบอกว่าเออมั น, ม, นมันไม่ถูกต้องหรือมันแต่ไม่ถึงขั้นดิคนที่คนที่ทำเนี่ยเออจะไม่ช่้สุนนะเลยเนี่ยไม่ใช่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นบิดาเนี่ยทำสิ่งที่เป็นบิดอาเนี่ยสองสามสี่ห้าที่เป็นบิดามันไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาเนี่ออกจากแนวสุนนะไม่เพียงพอบิดอาเนี่ยมันมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องนี้บิดาเนี่ย ม, มันมีเยอะนะถ้าเราไปดู ในหนังสือการเลียกที่ซอมของอิมามชาติบีที่พูดถึงเรื่องบิดาสุนนะเนี่ยเพราะในยุคของสัฮาบานี่มีบางเรื่องนี่สัฮาบานี่ก็ถือว่าเป็นบิดาแต่ในรุ่นหลังนี่เขาไม่ถือว่าเป็นบิดาเพราะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มาตรฐานศาสนาตายตัวเช่นรุ่นแรกของสัฮาบานี่เขามองว่าใครที่ กองข้าวสาลีเนี่ยเอาเปลือกออกจากข้าวสาลีเนี่ยเวลาเขาบดเวลาเขาเลาะเขาอะไรอะไรเลยโมข้าวสาลีนี่นะมันจะมีเปลือกใช่ป่ะก็จะเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกแล้วก็เอาเฉพาะเอาเฉพาะแป้งเนื้อเนยเนื้อแป้งใช่ป่ะเอาสอนว่าบางท่านบอกว่าเนี่ยบิดอ่ะทำไมอ่ะเพราะสมัยท่านนาบีไม่แยกเปลือกออก คือถ้าเราพูดด้านพุทธศาสนาเนี่แสดงว่านาับีนี่มองไกลนะสอ า, าบีและสอฮาบ้าด้านโภชนาสารนี่ก็มองไกลนะเขากินเขากินเปือกเข้าสรีด้วยนี่ตอนนี้นี่ยเขารณรงค์กันนะแต่อิบามชาวติวีเขบอกว่าสอฮาบ้าที่เขามองว่ามันเป็นไปได้พเพราะว่ามันวิถีชีวิตที่เอ่อที่แบบว่าสบายเกิน ไม่เหมือนวิธีชีวิตสมัยท่านนาบีนี่าบอกว่าโอไม่ต้องขนาดนั้นหรอกโมไปแล้วนี่ก็มีเปลือกมีอะไรก็กินไปเลยไม่ต้องไปอะไรยุ่งยากแต่ต้องต้องแยกเปลือกไปอีกมันไม่ใช่วิทีชีวิตของนบีแลวาวรุนร่ น, นรุ่นก่อนรุ่นแรกเอาไหมละ่ะเอาไหมบรรดาเบเกอรี่ทังหลายเนี่ยนฮะ ที่ไปกิน KFC ไ, ไปกินแมคโดนัลล์เนี่ยไปกินอะไรพว่าฮาลาลเนนะี่ยนี่นั่งหมด้ทังหลายเนี่ยเอาไม่ละ่ะถ้ากิดมีแบบเช่นแ บ, บอ้างด้วยนะว่าเ น, นี่แค่กินกินขนมปังที่ไม่มีเปลือกข้าวสาลนีนี่นะเนี่เป็นบิดอา้าเรียบร้อยแล้วเอามาตรฐานแบบนี้มาทเหมัมชี่บอกก็ไม่ใช่อันนี้อันนี้แค่เป็นทัศนาของสวามิบางท่านไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานด้านศาสนานี่หลายเรื่อง ที่เราต้องเรียนรู้เรื่องนี้ต้องต้องเข้าใจแล้วเวลาจะหูกุมใครว่าเป็นมุบตะดร์หรือไม่นี่เป็นมะเดีร์เราต้องดูภาพรวมไม่ได้ดูเฉพาะสองสามเรื่องผมกํำลังบอกกับพี่น้องว่าถึงจะทำมารลิต ท, ที่เป็นบริญาถึงจะอุศ ล, ลีที่ไม่ถูกต้องถึงจะสาลวาดเสียงดังหลังละมาดถึงจะอะไรกันอ่ะ ยาซีนชอบอ่านยาซีนนะไรเนี่ยถึงจะมีอะไรกันอันดีห้านี่ได้มอิสุกุบโบนะอ ย, ย่า ง, งนะั้นนะยังเรียกว่าสุนทนรได้ทำไมอ่ะก็ไปดูเรืๆๆ่องอื่นสิข้อละหมาดดูฮุรี ก, กีรักาข้อละหมาดมริปกีรักาเขาถือสิญลักษณ์เด ร, รมมรอนยังไงเนะขาไปแก้บวดอิชามาเหมือนเชียมั้ย อวันนี้เราไม่ได้แต่เชียร์นี่โมดปิดชียร์ดังซาบ้านี่ตอนดูเดินอัลลอฮฺพูดหลังหลัง ر م ض ن ตวต้องมาพูดร้อยเรื่องของศาสนานี่นะเขาปิด5้าเรื่องแต่เกสหเรื่องนี่นะเขาตรงชุนนะจะไปได้บูบิาได้ไงจะไปได้ไงป็นไไม่ได้เช่นเดียวกันอชารรนี่เขาตีความเฉพาะเรื่อง ฟตนะและไม่ได้ตีความศีฟตทั้งหมดเลยนะอ่าเขาตีความศิฟาที่มันมีไม่ที่ม so ันเป็นประเด็นอ้าวแล้วก็เรื่องอื ik, ่น ja อือล่ะ ja อิชะราก็เรื่องกรดอลกดอกกเรื่องสหาเกก็เรื่องอื่น่ะส่วนมากก็เหมือนอะลุศน์ัลกมแลจะแลจะไม่เรียกเขาว่าเป็นอะลุศน์อัลมเนี่ยเรียกีอะลุน์อชะรนี่โดยรวมนี่เป็นอะลุน์ัลม ผมนี่เต็มเต็มอกเต็มใจเลยเรียกว่าเป็นอัลลุซนนอวัลจามะอัลลอฮุซนนอวัลจามะนี่คือกลุ่มก้อนส่วนมากของประชาชาติอิสลามเพราะท่านนบีบอกอย่างนั้นกลุ่มก้อนส่วนมากของประชาชาติอัลลุซนนอวัลจาม al ะเรื่องที่สมเดี๋ยวจะลืมที่ใบไปไม่ลืมหนึ่งอะไรนะต้องไม่สร้างความแากแยกสองจะต้องจริงะจะต้องจริงสมเนี่ย จะต้องจะต้องมีความเลื่อมใสในคุณธรรมของสกุลที่ถืออยู่เพราะอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาเขามีคาสั่งสอนที่ดีงามอิหม่ามชเวียเนี่ยเขามีคาสั่งสอนที่ดีงามมากเป็นไปได้ไงอ่ะนั่นเป็นมัซับชเวียแต่เอาเฉพาะความรู้ในเรื่องฟิกของอิหม่ามชาวีแต่วราะของอิหม่ามชเวีย มารยาทสวยงามหรือไม่ใช่ไม่ทำตามนั้นอะไรก็เรียกว่าเป็นชีวิตต้องเลื่อมใสในคำสั่งสอนของของสกุลนั้นนนนะแต่เราเซลาฟีอย่างเงี้ยเซลาฟีนี่หมายถึงว่าถ้าคนเห็นนะ่ะนะโอ้โหนี่เหมือนชาวเซลฟ์เลยที่อีบตอนผมอยู่นะมีอยู่อุลามาสองคนนะ่ะที่ผู้รู้เนี่ยเขาจะกล้าบอกว่าเนี่ย คนเนี่ยหลุดหลุดมาจากยุคสลับทำไมอ่ะเพราะเขารู้กันเนี่ยไอ้ที่อ้างว่าเป็นโซลฟุงโซลเวีอะไรเนี่ยไ ม, ไม่เขา้าตามีสองคนเนี่ยโอ้หลุดมาจากยุคสลับสองคนนี้เนี่ยพอไปดูในวิถีชีวิตของเขาเนี่เหมือนสลับจริงๆมีคนหนึ่งชื่ออบูซารอัลกลามูนี่ไปบ้านเขาไงเขาเป็นคนที่มีฐานะนะมีมีทรัพย์สิสนมีเงนินมีทองมีที่ดินมีอะไรเนี่ย แต่เขาบ้านเขาใช้ชีวิตใช้ชีวิตเหมือนสลับจริงๆบ้านนี้ฉาบอย่างเดียวไม่มีทาซีไม่มีอะไรแล้วก็ปูเสือไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยนะันนี้หลุดจากยุคสลับจริงๆใช้ชีวิตแบบเหมือนสลับจริงๆก็คือหมายถึงว่าอะไรที่มันเกินความจำเป็นเขาไม่เอาอาจจะหาคนแบบนี้เนี่ยก็หลุดหลุดมาจากยุคสลับ สามประเด็นจะเรียกตัวเองอะไรก็ได้เรียกบางโกกีฟะตานีภูเก็ตตีอะไรก็ครูบีจะเรียกอะไรก็ได้แต่ขอให้แบบว่าเหตุเหตุผลในการเรียกตัวเองนี่มันมีที่สุดเนี่ยก็ต้องภูมิใจในความเป็นมุสลิมมุสลิม ไม่มีอะไรจะเหนือกว่าความเป็นมุสลิมใชมเพราะอะไรเพราะสกะุลอื่นๆ น, นี่นะ่ยอ่าสมมติว่าเราไปทําฮัตยอย่างเงี้ยแต่ัคนมาทุกที่เนี่ยเฮ้ยอันนี้ซาลาวีหรือเปล่าเฮ้ยันนี้ชาวีหรือเปล่าจบเลยนะเราจะไม่รู้สึกภูมิใจเราจะไม่รู้สึกมีความยิ่งใหญ่อะไรในการทำฮัตแต่ลองลองคิดดูนี่แต่ว่าวนี้มุสมนมุสลิมเฮ้ มาจากจีนมุสลิมอันมาจากาซักสถานมุสลิมอันมาจากฝรั่งเศสมุสลิมอันนีมาจกมาจากแอฟริกาดำมุสลิมมุสลิมมุสลิมมันจะรู้สึกพลังพาะนี้ทั้งหมดนี่นะเป็นพวกเดียวกันแต่ด้าว่าแบ่งแยกแบนี้วบอกเกดชรบต้องดูระวังนะเอันนี้แบบนี้เนี่ยทฮัเนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยนะ ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกภูมิใจอะไรเลยผมเนี่ยเวลาอบรมคนที่ไปทำฮัทนี่บอกว่ามันโอกาสที่หายากที่จะรู้สึกถึงความเป็นอุมมะเดินอยู่คนจะทุกเชื้อชาติจริงๆเดินละกันนี่อิสลามมีในทุกถิ่นในโลกนี้แค่ที่มันก็รู้สึกอบอิ่มมากเลยอ่ะซิลิมวะกัฟะ มุสลิมกัุสลิมก็เพียงพอแลวที่อัลลอฮฺซุบ์ฮฺน่าว่ากับเหล่าที่ัติดตามพวกเขาด้วยการทำดีนั้นพวกนี้อะไรที่อัลลอฮฺซุหฮฺน่าการันตีข้อละรับย์อัลลอฮฺกับพวกเขาและพวกเขาก็พอใจในพระองค์ด้วย ว่าอดละหุ่มจันแนตินและพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้วซึ่งบรรดาสวนสวรรค์แต่จีรีตทอันฮที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างคอ ل أ أ د ล ن ดีน ا أ วียอบพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล ذلك ا ن ن ل ลฟาวซุลอาซนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง ในกุราน ท, า ي ي ทั้งหมดเลยเนี می می ่ยในุรานทั้งหมดเลยเนี و و ่ยมีอายะเดียวที่ไม่มีมินตจรีตัตจรีตัล่ะไม่มีมินตัออายะอื่นจากนั้นนะที่มีตจรีต้องมีมินตัดเลมินตัลยกวนครานองของอับนุกซีรซึ่งเป็น เป็นนักกรีรุ่นซลับเนี่ยในศตวตรรษที่หนึ่งซึ่งได้เอามาจากคุ ร, รานที่ถูกเขียนในยุคท่านอุสมานอิบนาะฟานอุสมานอิบฟานเนี่ยได้เขียนคุ ร, รานต็ดเล่มแบ่งไปยังหัวเมืองทั่วอาณาจักรอิสลามเล่มหนึ่งฝากวัยที่มักกะ เขาบอกว่าเลมที่อยู่ที่มักกะนีนะในส่วนต่อไปอายุหนึ่งร้อยเนี่ยจะเดลุมจันทน์ที่จะเจอมินถัดทาลานาะแสดงคือเราคุณอับนุลกซีรเนี่ยอับดุลกษีรเนี่ยเหมือนเราอันฮัฟซ์อันฮัฟซ์อันฮัซเนี่ยอับุีรนะอบุีรน่ัจมินาลานาตงกันอะไรไม่ตังกันอะไรมามินเนี่ยเป็นคาที่ใช้ยืนยันเขาบอกว่า แล้วทำไอันนี้ไม่ใช่มินแต่ไม่ยืนยันล่เพราะาอันนี้เนี่ยเฉพออาะอายะเนี่ยมีกริยาเสริมที่สร้างความแน่นอนว่าจะได้เข้าสวรรค์มากกว่าอายะอื่นๆ น, นั่นก็คือกริานี้ว่าอัดดะอาัดดะและพระองค์ทรงเตรีมยมไว้อันนี้มันในอายะอื่นไม่มีมโหถ้าหากว่าใช้กริย า, ยาลดทรงเตรียมไว้เฉพาะเลยนะอันนี้จะมินนะก็ไม่ต้อง เพราะมันยืนยันขนาดนี้แล้วนี่ว่าเราเตรียมไว้ก็แล้วขนาดนี้แล้วนี่นะมินนี่ก็ไม่ต้องใช้อันนี้ที่อลุลลอฮฺในอธิบายน ะ, สะแสดงว่าที่อัลลอฮฺรับรองความประเสริฐของอ asabiqun a ล awalun มีสองเรื่องหนึ่งอัลลอฮฺพอพระทัยต่อพวกเขาและเขานี่พอใจเขานี่พอใจพอใจต่อพระองค์นี่มีสองนัยยะสําคัญ พอใจในคำสั่งสอนที่พระองค์ให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตและเขาเชื่อ ว, ว่าชีวิตเนี่ยดีขึ้นเพราะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์นี่เขาพอใจไม่ใช่ผ่านผ่านหน้าคาราโอเกะไม่น่าเลยที่จะมีข้อห้ามไม่ฟังดนตรีอันนี้ไม่พอใจหรือเดี๋ยวนี้ผ่านหน้ากัน ขายกัญชาขายก็ทำไม่น่าจะมีข้อห้ามห้ามดื่มสิ่งมึนเมาเลยเขาไม่ได้ดื่มนะแต่ในใจเนะี่ไม่นน่าจะมีข้อห้ามเลยอะไรแบบเนี้ยหรือว่าวัยรุ่นเยาวชนอคนนึงเห็นสาวสวยก็มองก็มีเพื่อนก็เตือนบอกเฮ้ยบาปเนะเหม่น่าจะบาปเลยอันเนี้ยไม่พอใจ คือเขาอาจจะปฏิบัติตามนะแต่ลึกๆเนี่ยเขาเขาไม่ภูมิใจในคำสั่งสอนว่ามันจะเปลี่ยนแปลนีลล่นี่แหละและนี่แหละข้อแตกต่างระหว่างคนรุ่นหลังกับรุ่นคนคนรุ่นก่อนเนี่ยทุกคำสั่งทุกคือเขาไม่คุยอ่ะเขาไม่เจราจานบีกําลังขุดมาอยู่เนี่ยแล้วก็สอาบ้างคนหนึง่ง เดินอยู่ข้างนอกเขาไม่เห็นท่นานนบีนะเขาไม่เห็นนบีบอกว่านั่งนบีกําลังคุยกับคนอยู่ข้างในข้างในมัสยิดเนี่ยจงนั่งไอคนนี้ข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้เลยเขนั่งผมว่าถ้าพวกเราเนี่ไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่จะแบบว่าเชือ่อได้ยินเสียงนบีเนะีน่ยนบีฉันแน่นอนนั่งนั่งไปก่อนถึงมีคนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนบีสั่งคนอื่นยู่งใน แต่เขากลัวไงว่าเอาแล้วแต่คำสั่งนักเกี่ยก็เกี่ยวกับทุกคนนะ่ะฉันนั่งไปกด น, นี่นี่คือข้อแตกต่างระหว่างระหว่างคนรุ่นหลังเนี่ยเราเนี่ยกับกับยุคสลับเนี่ยเป็นแบบนี้ผมไม่ไม่ใช้เวลาตีความเยอะเะมันอย่างงูน์มันอย่างางี้มันนะปฏิบัติด้วยความภูมิใจด้วยความพอใจในสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้สั่งสั่งไว้สอง อัลลอฮฺพอพระทัยต่อเขาซึ่งอัลลอฮฺพอพระได้ต่อใครเนี่ยนั่นคือชาวสวรรค์เนี่ยชาวสวรรค์ชั้นสูงด้วยนะชาวสวรรค์เพราะหลังจากที่ชาวสวรรค์เข้าเข้าสวรรค์ได้ร้อยแล้วกําลังสนุกสนานกันในส่วนสวรรค์นี้อัลลอฮ์ก็จะปรากฏกับชาวสวรรค์และถามชาวสวรรค์ พวกเจ้าต้องการอะไรอีกไหมชาวสวรรค์ก็จะตอบเสียงเดียวกันเลยเราจะต้องการอะไรอีกล่ะความสุขสาราญทุกอย่างแล้วสุขสบายทุกอย่างแล้วแล้วก็จะบอกว่าอุฮลุอะไลคุมริฎูานีข้าจะมีความพอพอใยต่อพวกเจ้าและจะไม่โกรธกริ้วพวกเจ้าต่อไปอีกแล้ว นี่คือสุดยอดของของความสุขที่ชาวสวรรค์นี่จะพบก็ะหมายถึงว่าปลอดภัยแล้วอัลลอฮ์จะไม่กรี้วใครแล้วถ้าอัลลอฮ์พอพระใจใครนี่นั่นคือสุดยอดฉะนั้นทุกไอ้บาดที่เราทํากันนะครับพี่นเนาะแล้วมาทําไมเราต้องการให้อัลลอฮ์พอพระทัยอันนี้อันนี้คือสโลแกนในชีวิตทําไมถึงสนทําไมไม่ทําบาปนี่เนี่ยอยากได้ต้องออัลลพอพระทัยพอพระทัยฉัน แต่นี่อัลลอฮฺบว่าเตียมอาดเดลูกุมจันนาตินตรียมสวันอยู่ตลอดการขอ l l ดีนนบีอับดะอัยานี่เนี่ยถึงจะพูดถึงบรรดชนรุ่นแรกเนี่ยสากุนอัลอวัลุนแต่มันเป็นความหวังสำหรับคนรุ่นหลังคนสำหรับรุ่นหลังคนรุ่นก่อนเนี่ยมีแต่ความประเสริฐคนรุ่นหลังในมีแต่ความ คนรุ่นหลังนั้นมีแต่ความไม่ดีถ้าคนรุ่นหลังเนี่ยคนรุ่นก่อนนี่ก็ได้กว่าสาลับคนรุ่นหลังเนี่ยก็ได้กว่าขอนลัแต่คนรุ่นหลังเนี่ยได้ปฏิบัติตามคนรุ่นก่อนนี่วัลลอฮฺนบีสั่งนินและบรรดาผู้ดําเนินตามพวกเขาด้วยการทําดีก็จะรอดจากประสบการณ์ที่ได้ ดูคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติตามดำเนินการตามพวกเขาเนี่ยพวกนี้จะไม่พูดเยอะพวกนี้จะทำเป็นนักปฏิบัติเป็นนักทำพวกนี้ไม่หิวแสงพวกนี้ไม่ต้องการใช้เวลาเสียเวลาในการเรียกร้องความสนใจเป็นนักปฏิบัติแต่ปฏิบัติอะไรไม่มีใครรู้หรอกเขาทำอะไรกันอยู่ คนเหล่านี้เนี่ยเนี่ยงใจว่าความดีนี่คือมันอยู่เขาเรียกอะไรเนื้อเนื้อไงมีแต่เนื้อไม่มีน้ําอะคนเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์คนก็จะได้ประโยชน์แล้คนนี้มันได้ประโยชน์นี่เรื่องไร้สาระนี่ไม่พบเนี่ยแล้วคนนี้จะใส่ใจเรื่องแต่ไร้สาระอย่างเดียวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่สร้างประโยชน์ให้คนอื่น สร้างแต่ความแตกแยกสร้างแต่ความสับสนสร้างแต่ความอุลามาทุกยุคก็จะเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะอ้างจะอ้งางซอฮาบะจะอ้างสลับหรือจะอ้างอะกีดาในกตามคนรุ่นก่อนนี่ก็มีนะอ้างสลับอ้างอะกิดาอะไรนี่ถ้าสุดท้ายนี่ไม่รอดสุดท้ายนี่ไม่รอดผลงานไม่มีอะไรที่มันจะก่อยให้เกิด ความแข็งแกร่งสําหรับอิสลามนี่ไม่มีแต่สิ่งที่เห็นเห็นแกตานะครับว่าแข็งแกร่งเรื่องอาคีได้นี่แต่สุดท้ายนี่ก็ไปรับใช้ศัตรูอิสลามเขาทั้งหมดเลยถึงขนาดที่เดี๋ยวนี้เป็นเป็นแค่ไหนวะเป็นสัญลักษณ์และพวกสลลับเนี่ย ในยุคคือคนเขาบอกว่าต้องเชื่อฟังผู้นำเป็นสั ญ, ญลักษณ์เลยนะผู้นำนี่จะเละตุ้มเป๊ะจะอะไรขนาดไหนเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังเขาทำให้ผู้รู้ที่ยึดมั่นในแนวนี้นะครับไม่มีบทบาทในการปราบปรามในการห้ามปรามในการตักเตือนผู้นำในการที่จะขัดขวางผู้นำที่ต้องการทำลายศาสนาทำลายสังคมมุสลิมเนี่ยไม่มีบทบาท เชื่อฟังอย่างเดียวบางคนถึงขนาดที่จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้นำในการทําลายกลุ่มอื่นผู้รู้อื่นที่ต้องการเรียกร้องสู่ความถูกต้องบางคนอยู่กลุ่มนี้บอกว่าถ้าถึงขนาดที่ใครที่ตําหนิผู้นาเนี่ยและเราไปแจ้งความไปสอดแนมแล้วก็ไปแจ้งความ ทางการจะได้รู้ว่านี่นตําหนิผู้ น, นําน่นนะเพราะว่าต้องทําเป็นวายิบต้องทําเพราะานี่เราต้องเชื่อฟังผู้นําถึงแม้ว่าคนนั้นนะ่ะที่ตําหนิผู้นําเป็นผู้รู้เพราะผู้รู้คนนั้นนะ่ะถือว่าทําบิดาที่ร้ายแรงก็คือตําหนิผู้นำเพราะถือว่าคนที่ตําหนิผู้นํำนี่เป็นข่วารีทีเลยอือุปโลกแนวคิดใหม่เนี่ใครที่ปฏิบัติใครที่ตําหนิผู้นําเนี่ยเป็นข่ววารีาทีเลยข่ววารีหมายถึงคนดีกระบฏผู้นํา ตำแหนิมันถึงว่าขึ้นคุตบ้านแล้วก็ว่าเฮ้ยทีนี้ไม่ถูกต้องนะเราอย่ายอมนะนี่ทำไม่ได้นะนี่กบฏแล้วเป็นกบฏแล้วแบบนี้สมัยโซฮาบานี่กบฏก็เยอะเลยสิมารุินุชตตอบนี่เกิมิมบาร์นี่บอกว่าถ้าฉันทําความดีนี่ก็ช่วยฉันนะแต่ฉันทําความดีนี่ก็ช่วยแก้ไขปรับปรุงนะโซฮาบ้าคนนึงบอว่า ถ้าท th da, um ่านบิดผิวแล้วก็มีตาดาบนะถ้าท่านบิดพิวนี่นมีอย่างนี้นะหมายถึงว่าบิดผิวจากแนวทางของท่านนบิดนี่มีดามีตาดาบนะนี่แต่แบบนี้เนี่โบฏกบขบดังแต่สมัยสหบาลนี่อย่างนี้นี่มีเยอะมากเลยดิการณ์ที่องคริษัทตอบกําลังขุดบายู่ ผู้หญิงคนนึงว่าไม่มีสิทธิ์ท่านไม่มีสิทธิ์โอ้โหนี่บางอาจตำแหนิผู้นําต่อหน้าคนขนาดที่คุณวปผู้หญิงด้วยจะมีใครทําในยุคนี้เนี่ยเซตนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเซตนะหาที่ฝังอะไจะไม่น่าจะได้นะสมัยซอบ้านธรรมดาเนี่ยเรื่องตำแหนิผู้นำเนี่ยคนที่ทําผิดเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าเขาผิดโดยเฉพาะถ้าเขาทาอย่างเปิดเผยเนี่ยก็ต้องพูดนะแล้วคนจะรู้ยังไง เขบอกว่าถ้าผู้นําทําอะไรผิดเนี่ยก็ต้องไปแอบไปแอบบ อ, อกเขาแต่ผู้นำเนี่ยเขาออกทุกช่องในยี่สิช่องนี่เขาออกไวแล้วนะแล้วเราก็ไปแอบไม่ได้นะท่านนะไม่ไดนะ้แต่เขาเนี่เรียบร้อยแล้วนะเขทั่วประเทศเนี่ยเขาทำเลทเชิญชวนคนทําชั่วไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วช่วงนี้พี่น้องช่วยขอดูไอ้พี่น้องวัดฤาษเยอะนะเพราะดูไม่รู้ท่าทีเขาจะ มีข้อตกลงหรือเปล่าพี่กันไปพี่กันมาก็เป็นห่วงแล้วก็น่าสงสารพี่น้องนะครับที่อดอยากไม่มีอะไรจะกินไม่มีอจะกินนะครับโดยเฉพาะตอนเหนือของกาซาอะสูาทาได้ช่วยเหลือพวกเขาเรวี่สุดนะครับซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซลแมอะลัยุมราะมุลลอฮ